ตามสภาพของเค้าในโลกไอ้ดีในโลกมนุษย์ เหลือการสุตตามอะยะปัญญาการตระหนักรับฟังธรรมการแสดงธรรมของพวกนี้ที่เราได้ทําไว้เกี่ยว ในความเป็นไอเหตุกาวิบากมนุษย์กับเทวดา 6 ชั้น 7 ภูมิมหาวิบากนั้น เป็นวิบากหลักกับพวกนี้ภูมิอื่นคือในเอ่ออนิจว่าเอาจริงๆเนี่ยก็อบายภูมิ 4 นะแน่มนุษย์ นึงเทวดา 6 มีหมดรูปภูมิ 15 เว้นอสันยีอสันดีนั้นไม่มีเว้น ก็เลยตกลงมีเว้นอยู่ 2 นาทีเหตุทุกขวิบากไม่มีเหตุใดยึงไม่ก็ขอทั้ง 4 และ 1 แลเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ผม คราวนี้เราขยับเข้ามาพูดถึงเอาเฉพาะว่ามหาวิภังค์ที่ให้ผลได้อย่างไรเมื่อไหร่ กับเราในการ 2 โดยหลักเนี่ยนะการ 2 ก็คือปฏิสนธิ เรเราก็ได้เคยพูดกันมาถึงว่าตัวจิตที่ทําจริงๆมันมันก้าวล่วงก็ไปไปด้วยก้าวเนี่ยมันเกินคือ มหากุศลวิบาก 8 นะแล้วก็อุเบกขาสันติลนะกุศลวิบากนี่รวมเป็น 9 พูดซะว่าการเกิดเป็นมนุษย์และเป็นเทวดา เทวดาสินบุรแล้วคําว่าบกพร่องเนี่ยหมายถึงบกพร่องจากความเป็น คนที่ปฏิสนธิแล้วไม่มีปัญญาประกอบท่านจะเกิดบกพร่องทางญาแต่ตรงนี้ท่านไปเรียกบกพร่องในที่นี้น่ะก็ถือ ที่ผมพูดถึงต่อไปเนี้ยหมายถึงความบกพร่องที่มีหรือบกพร่อง พูดถึงเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปเดี๋ยวนี้พวกคนบกพร่องพวกนี้อ่ะครับเป็นมนุษย์ด้วยกุศล นี่เป็นเป็นพวกนี้เป็นคนพิการคนบกพร่องเราเรียกว่าเป็นเรา จะเรียกกันในองค์อ่านักอภิธรรมว่าพวกอเหตุกะปฏิสนธิบางทีคือในอเหตุกะ <c oughs> <c oughs> 48 เนี่ยมีอยู่ดวงเดียวเท่า <c oughs> อเหตุกะ 8 ดวงเอาแค่นี้ก่อนที่ทําหน้าดวงเดียวคืออุเบกขาสันติลนะถ้าคนไหนปฏิสนธิด้วยดวงนี้ ทีนี้ถ้าเป็นพวกสมบูรณ์จะปฏิสนธิด้วยมหาวิบาก 8 กอ 8 ดวงนี้ถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้ดูมหากุศล 8 น่ะไปบางๆก่อนมีอะไรบ้างนั่นล่ะคือมหาวิบาก 8 8 ดวงนี้ถ้าคนไหนปฏิสนธิด้วยดวงที่ 1 ถือว่ามี ประวัติญาณนี่มันไม่มีดีกว่านี้แล้วอ่ะต้องมีดวงนี้ดีที่สุดตั้งกับไอ้สนธิด้วยดวงนี้เป็น แต่แล้วก็ดวงที่ด้อยที่สุดนั้นคือดวงจิตแล้วก็ถือว่าเป็นดวงจิตดวงเดียว กล้าในอะไรอ่อนในอะไรในอะไรอ่อนในอะไรท่านหมายถึงในกุศลนะฮะเพราะว่ามันมาจากกุศลนิบากมาจากกุศล อนาสังขาริกในที่นี้ต้องเป็นกุศลอสังขาริกฝ่ายบาปน่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องบาป แล้วเราพูดไปซะก็หนึ่งกันว่าราคาแล้วก็คุณค่าของ ว่าตามในขอบเขตของจิตนั้นก็ได้แก่ <c oughs> <c oughs> อีกอย่างหนึ่งคือกรรมบริวารเองจะเป็นตัวเป็นหลายๆผลอยู่เหมือนกันที่ถึงจะไม่ได้พูดด้วยคํานี้ เป็นแล้วก็มีเหตุหนึ่งว่าสะสังขาริกเพราะอะไรแล้วก็มีเหตุว่าเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้มีปฏิสนธิที่เป็นอสังขาริกปฏิสนธิหรือ ก็เป็นส่วนของกุศลว่าบุคคลนั้นมีจิตใจเกิดนะคนไหนที่ เป็นปฏิสนธิญาณตัมมยุตหรือปฏิสนธิญาณวิปปยุตแล้วก็อันนี้ฮะมันก็ซ้อนออกๆหมดอ่ะมัน เกี่ยวกับกรรมอะไรน่ะเดี๋ยวเดี๋ยว 3 ก็แล้วกันแล้วก็สังฆะลิกด้วยกันคือกรรมบริวารแล้วใส่บท แล้วศัพท์จะเรียกว่ามันเปรื่องยากเปรื่องยากแล้วก็บางทีไม่ <นะ. S 1> บางทีคนยืนรอศาลบาตรจะไปเผลอกาสาสัตว์ตายก็ได้หรือไม่เผลอพูดนี่มีชาวาจา อย่างที่นิยมทํากันน่ะบวชพระแล้วนิยมทําอะไรครับเหมือนเดี๋ยวนี้ยังเห็นมีอยู่อ่ะแล้ว กรรมบริวารมันก็จะเข้าไปลดราคาเข้า ว่าเราทําอะไรมันต้องทําบุญต้องเจตนาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่หมายความว่าไม่ใช่ เจตนาว่าเจตนาจงเจตนาผู้จะการเนี่ยบอกหาว่าเป็นตัณหาบอกมันไม่ใช่หรอกครับเรื่อง เป็นเหตุก็คือปล่อยทุกอย่างไปตามอัตโนมัติซึ่งตัวเอง กุศลที่เป็นบริวารตรงนี้ล่ะฮะผมเข้าใจว่าโบราณเนี่ยตั้งแต่เข้าใจเวลาทอดผ้าป่าเนี่ย โดยดานาของบุญญานะแต่ว่าการใช้เนี่ยครับบางนะเอาคนรับมาหาอับราฮัมมาเป็นบริวารกัน <c oughs> ทางจริงเนี่ยผมบอกว่าเราเนี่ยต่างคนกว่าวางตําแหน่งไว้อะไรยังไงในด้านอื่นยังไงๆในแง่บุญของแต่ คนอื่นเข้ามาเป็นบริวารให้หม่อมแม้แต่พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดให้คนมารู้ธรรมพระ เป็นการเพิ่มพลังทานแล้วก็ทํานองเดียวกันการเจริญภาวนาบางครั้งเราก็เอาทานเอาศีลเป็นๆอธิษฐานเพื่อ ศีลกรรมการเอาศีลเป็นประธานหนึ่งบอกว่าทำอย่างไรเนี่ยอันนี้เคยภาวนาไอ้ศีลเนี่ย คนที่มีภาวนาแล้วก็จะรับประกันอย่างอื่นก็ต่างฝ่ายว่ากุศล เรายังจะพูดกันแบบแยกพูดว่าทําครบเท่าไหร่ดีเรา ศีลก็ศีลอย่างอื่นเฉยไว้ก่อนแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยต้องพยายามใช้ให้มันเกิดมากๆตัวใดเป็นตัวออกหน้าก็ยกให้เขา 1 อปปจยนะมีมั้ยมี <c oughs> อภิเญญนามิปลาไหว้เราหรือเราไหว้ปลาเราไหว้จ้ะนะฮะจะไหว้ก็ดีการให้ด้วยก็ดีเป็นอภิเญญนะมีอันนี้ก็ ศีลผู้ให้มีศีลผู้ให้ตามอาทานศีลก็เป็นจริงภาวนาผู้ให้มีภาวนาก็ได้ภาวนาลงไปในนั้นด้วยปฏิสุทธิกุศลได้ด้วยทิฏฐุชุกรรมได้ด้วยแล้วอะไรอีก <c oughs> ตนน่ะพระศาสดาคือถ้าเป็นในสมัยเนี่ยมีมาอย่างสมัยก่อนเนี่ยหลายเนี่ยท่านใช้เลยนะแล้วก็โยมที่ไปกราบไปไหว้ไปสั่นว่าเอาด้วยครับอย่างลองดูอย่างบางคน เป็นคําที่ที่มีประโยชน์ในทางคุณค่าทางปฏิปัญญามองๆเนี่ยมองๆดูเออเราจะทําได้สักรับ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ไม่ใช่โลภสูงคือคนโลภเนี่ยถ้าจะพูดๆเลยใช่มั้ยไอ้เหตุไม่ แล้วก็ไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุผลทางนี้เชื่อไปตามที่ ถ้ามาถามผมนะแล้วทําเป๋นว่ามันเป็นการที่ผมควรจะตอบตรงผมก็จะบอกณอดีตหมายว่า <laughs> <c oughs> นี่ไม่ได้สงสารพระมาเนี่ยนึกว่าไอ้พระจะให้ ว่าเราอย่างที่อันนี้ผมเนี่ยเค้าเนี่ยกําหนดจิตเป็นเวทนาของการ มือปลายตะไปอย่างงี้ถ้าคนกําหนดอาหาร วิปัสสนาจารย์สายธนูบางกินแนะนำเมตตานุภาสนาแบบนั้นกําคือกําหนดความรู้สึกข้างในเนี่ยจริงคนได้ความ สำนวดดูทิพย์ถ้าเพราะนั้นเรื่องนี้ใครยิ่งทําได้ลึกฐานก็ ไอ้ตอนไปบ้านตอนไปบ๊อบเลิศน้ําบ่าตอนนั้นแล้วไม่เอาไม่ได้มันจะติดมายังแยกไม่ได้อ่ะก็ เป็นส่วนไอ้อย่างคนใกล้จะตายเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเพิ่มกิเลสเพิ่มความกังวลลงไปอีกแล้ว นี่คือกรรมตอนใกล้ตายเราถึงระวังเรื่องตอนใกล้ตายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าตอนใกล้ตาย จึงหมายความว่าเราเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงทางหลักการ แล้วก็กติที่อยู่ต่างๆเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องบริหารกันแต่ เครื่องการออกแบบเรื่องการก่อสร้างอย่างดีต้องควบคุมอย่าง มันจะไปเปลี่ยนอะไรหมดก็มันไม่ได้อยากเปลี่ยนบ้าน ทำกรรมที่เป็นศีลนิกุศลกรรมที่เป็นศีลกุศล 1 นําเกิดคือทําให้เกิดมหาวิบากเป็น 1 นะแปลว่ามหาวิบาก 1 ของเราที่ดวงเดียว คนละบุญยะกิริยาคนละความเข้มข้นความเจือจางที่แตก ที่ได้สะสมไว้เป็นตัวเสริมทิศทางที่จะทําให้กรรมเนี่ยไปให้ผลในจังหวะ ก็จะเป็นไปได้จะเป็นไปได้คือไอ้นิสัยเนี่ยมันทําให้เกิด ทำแล้วก็รักษาศีลเอาไว้ไม่แต่สําเร็จสําเร็จจะสําเร็จไม่ตลอดนี่นะมันไม่มีเม็ดพันธุ์มีนิสัย ภาวนาครับแต่ทําไม่ได้เพราะมีแต่นิสัยแต่ไม่ ไปเป็นพระทุรดงบ้างก็บวชบวชละทุรดงไม่เต็มบรรษาต้องออกเพราะอ๋องกระผ่าออกก็ก็จะว่า 2 อย่างนี้อันไหนจะยากๆคือถ้าหาก มีแต่นิสัยสร้างไว้อย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมที่ตัวนะอย่างผม น่าจะเลิกไปได้นะโอเคบางคนก็เลิกกันไปไอ้พวกประเพณีมาเออเราก็ยังไม่เลิกแต่ไม่ได้คุย ทำอะไรที่มันดีกว่านี้ส่วนนะนี่ยกเลิกเพราะใจคิด อย่างเกี่ยวคนเนี่ยก็นี่เป็นตัวอย่างอย่างคุณครูคุณนี่นะพอจะบอกได้มั้ยครับกี่ปีนะ 20 ปี 20 ปีโอ้นี่ แล้วก็เมื่อไหร่จะเลิกกันเนี่ยไหนฮะเหรอฮะอ้าวไม่เลิกเนี่ยแสดงแต่ว่าอยู่คนละคนละข้อบุญกิริยากันนี่พูด เกมฟังธรรมด้วยกันฟังจากครูบาอาจารย์ฟังแบบเดียวกันตลอดชีวิต พอเกิดจานนามาแล้วก็มาทําหน้าที่เก่าเรามีการสลับหน้ากันกันมีสลับ พระภิกษุนี่น่ะท่านเคยบอกเลยในพระอ่าพระสูตรเนี่ยทรงตรัสในในสมัยนี้ แต่ในชาตินี้นั้นเราบอกเธอแสดงแก่เตือนที่ให้เธอไปได้คือแสดงมรรค 8 เมื่อปีครึ่งปีนะเลยฟังตามกัน ตามแล้วก็มาตัดรู้มาอะไรต่ออะไรอย่างในชั้นระดับภาษากันฟังกันมานะนี่ <c oughs> ทำไมทำไมเป็นจริงก็ขอตามไปจริงแล้วก็ก็ก็วางกันอย่างนั้น แสดงตามอาจารย์แรกกันก็พระพุทธเจ้าก็มาเป็นว่า ตรงนี้น่ะยังไม่เจอคําสอนไว้ใน แต่ว่าเวลาเราเนี่ยอธิษฐานว่าขอให้เราซึ่งจะได้เกิดชาติหน้าต่อไปจงมีปฏิสนธิที่ที่สําเร็จจากมหากุศลญาณสัมปยุตต์ดวงที่ 1 แตภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างสมณะนะแต่จะได้มั้ยมัน คนที่ทําบุญแล้วย่อมิานสําเ็นນคนที่ไไม่ทําบุนเช่นพราะทําเป็นเชื่อเชื่อดีิฐานจะมีต่างสําเร็จเช่นเกิดมาไม่ຊวยเข้าที่พัสนาเลย เน้นถึงสําเร็จก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรดีนักเพราะเยอะก็นะแต่ยังไงนี่นี่อย่างเราเยอะโดย เอาไปใช้ในตรงไหนได้ตามใจชอบๆแล้วบังคับ วันนี้